กดถึงอาการส2สบสองดูใ <Kell> ห <analyze anthropology> ้เห็นเป็นของระติมกูล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 ตรงไหนตามสัดส่วนตามสัญถามของรูปกายของเราเราก็ติดถ้าตระพูดถึงเรกิเลสกิเลสติดติดไปตั้งแต่ผมผมเราผมไปยึดผมยุดขนยุดเล็บขนง้ำเหลือเกินขนแขนขนขาง้มเหลือเกินขนกางว่าอะไรกางไปหมดด้่ยเห็นเป็นของงามไปหมดแต่ถ้าให้พิจารณาให้เป็นของปฏิกูล ทิพคุณคือมันโซโครมันสซก็โกรดูรที่สีของมันดูที่กลิ่นของมันดูที่ความเป็นอยู่ของมันมันโซ ก, ก็โปรเ่อย่างฟันเนี่ยต้องบอกฟันอยู่ในปาดมันก็ชุ่มแช่ด้วยน้ำน้ำลายอยู่ตลอดยีิบสีชั่วโมงเลยจากนั้นแล้วมันก็มีอะไรมาตกตะกรมาเกาะมาห่มเป็นขี้ฟัน <laughs> เป็นมูลฟัน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 ให้ดูเห็นเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงแตละอยา่งยางแต่ละอย่าง่ะอย่างและให้ปรงในความเป็นโสโครกให้พิจารณาว่ากายมีอยู่ให้สักทว่า ก, กายมีอยู่ที่กายกายอนุปัชชิวารติสิมญาติมานุปัชชิวกา ย, กายกสิม อาจตบวกายัมิญติบียถวะกายยันปัิบารติสมุยตมนปิวากยสิติเยธรรมะนปัิวากยสุมิติสมุดียัยธรมนปัิวากยสุมิติิากายท้งกันนัทั้งหลงทั้งพิรากายมีอยู่ใช้สติ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 ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันดูแล้วเห็นก็ดูเห็นแล้วเฉยๆไม่ให้มันไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นดูสัจธวรม ก, กลางๆดูให้เห็นเป็นธรรมชาตินี่เรียกว่ากายขตาสติมีสติกำหนดจดจอตามกายพิจารณารูกายกายนี้สัวธว่าเป็นกายมีอยู่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 พิจารณาธาตุอาการส2สองแล้วก็พิจารณาเป็นธาตุอันนั้นมีมีเฉพาะธาตุดินกลทธาตุน้ำอาการส2สองให้บนหลังทัางสวดเราสวดธาตุธาตุธาตุแปลโดยความหมายก็มันแปลว่าธาตุคือมูลเดิมมูลเดิมมูลเดิม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 น้ำลายน้ำดีน้ำเสละน้ำเหลืองน้ำเลืองน้ำเงือ่น้ำโมดน้ำโคดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวธาตุไฟอบอุ่นในกายของเราธาเหล่านี้มีสิ่งที่ยืนร้อ้เราเห็นอยู่ธาตุดินยืนร้อ้เราเห็นอยู่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 ของธรรมชาติเหล่า น, นี้ระดูระบบของมัน ม, นมันแน่นมันเป็นธรรมชาติสร้างมาใเป็นธรรมชาติสร้างมาพรอเราตัอดออกไปแล้วสาริยาลิสารสะดื่มไปอยู่กับสายโรคอยู่กับโรอบอันนั้นจากกลูตซึมซับอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงไปป้อนโรงงานป้อนโรงงานความไม่เยหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละคืออันนีจัง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 ตามเหตุตามปัจจัยที่มันส่งมาแล้วตั้งามส่งมาแล้วมาเป็นตัวมาเป็นตนเป็นท่ำเป็นคูหาให้ใจตัวนี้ได้เกาะได้อาศัยที่เว่านท่ำหรือครูหาร่างกายของเราเป็นท่ำหรือเป็นครูหาให้ท่ารู้ให้ผูร้รู้ให้ใจของเรามาเกาะ อ, อยู่ถ่าดินท่าน้ำท่านลมท่านไฟเป็นสภาพที่เป็นรูป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 ตื่นตาตื่นใจโอ้อันน้นน่าชอบใจติดใจติดใจติดใจยึดเข้ามาติดใจยึดเข้ามาโอ้อันนั้นไม่ดีไม่งามไม่ชอบผลักออกไปที้มออกไปแต่เพราะว่าอันนี้ยังดึงเข้ามามาเข้ามาไม่ได้ยังผลักออกไปก็ถังไม่ได้พลักความแก่ผลักความเจ็บผลักความตายออกไปผลักได้ไหมผลักไม่ได้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 อยู side, so ่กับมันอย่างนี้อยู่ร่ำไปไม่จบไม่สิ้นพิจารณาเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษมาโปรมาปล่อยเรามีความสุขเห็นทุกเห็นโทษล้วดึงดึงจิตเราออกมาถอยออกมาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษดึงจิตถอยออกมาถอยออกมามันไม่อยากไปชุ่มแช่อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษมันเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่จะเบื่อนายคลาจาง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 หมหาวิชาณมหาไสยันมหาวิชาณส่ว น, น, นเอาวันนี้เอาแค่นี้แหละใครจะไปบิวแลนด์บิวดีแลนด์ก็ไปเอาเวลามาทิ้งมากมาย ไปภาวนาสงบระงับแค่ในหัวใจของเราสงบรับตัญหาในหัวใจของเรามันฟาดดิบนตลอดลราภาวนาเพื่อสงบระงับสิ่งเหล่านั้นสงบได้ก็งับได้เป็นสุขอ่าตอนนี้แหละแล้วพระเราก็พระเราก็ไม่ต้องคอยแล้ววันนี้